การที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันและได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลเป็นลาภอันยิ่งใหญ่เหมือนกับการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ดีกว่ารางวัลที่หนึ่ง หลายล้านเท่าด้วยกันเพราะเงินรางวัลที่หนึ่งนี้ไม่สามารถที่จะมาใช้ดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือการบรรลุถึงพระนิพพาน จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้และทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนา เป็นเหมือนกับการได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเรายัางต้องไปขึ้นรางวัลเหมือนกับเวลาที่เราถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลเราถึงจะได้รับรางวัลการที่เราจะได้รับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานอกจากการที่ได้มา พบกับพระพุทธศาสนาและได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วยังต้องเป็นมนุษย์ด้วยถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นมาเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณบนเขานี้ เขาก็จะไม่สามารถที่จะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาได้เพราะเขาจะไม่มีความสามารถที่จะไปรับรางวัลไปขึ้นรางวัล น, นั่นเองเพราะการที่จะรับรางวัลได้นี้เราต้องมีความสามารถที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ที่จะรู้ว่าวิธีที่เราจะรับรางวัลที่หนึ่งนี้รับได้อย่างไรเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาของมนุษย์สัตว์นี้ฟังภาษาของมนุษย์ไม่เข้าใจสุนัขแมวนกกาอะไรต่างๆ เขาไม่สามารถที่จะมาฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับที่พวกเรามาฟังกันได้การฟังเทศฟังธรรมนี่แหละเป็นการเรียนรู้วิธีที่เราจะไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและได้พบกับพระพุทธศาสนาด้วย แต่เรากลับไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานทั่วๆไปเพราะเราก็จะไม่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะไม่มาขึ้นรางวัลที่หนึ่งกันทั้งๆ ท, ที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เราอาจจะไม่รู้ เราไม่ได้ติดตามผลของการออกสลากเราเลยไม่รู้ว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแทนที่เราจะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังวิธีที่เราจะได้ขึ้นรางวัลที่หนึ่งเราก็ไปทาอย่างอื่นแทนอย่างวันนี้ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีความสนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่มาวัดกันไม่มาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆ อันนี้กเ็เป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดอยู่ในเมืองพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่สนใจไม่เข้าหาพระพุทธศาสนากันหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาก็เลยไม่รู้ว่าตนเองนี้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตนเองได้หลุดพ้นได้มีสิทธิ์มีโอกาส ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็เลยทำให้ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจที่ยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายจึงต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะติดอยู่กับการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อได้ถูกวัตตรีรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพร ะ, พ, ระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดศรัทธาความเลื่อมใสในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามันเข้าหาเข้าฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะได้รู้จักวิธี ที่จะปฏิบัติให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานอันนี้ก็คือเรื่องของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดเป็นได้มาพบปบพระพุทธศาสนา อย่าทำตัวของพวกเราเป็นเหมือนกับไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนี้แทนที่จะเก็บพลอยเอาไว้กับเขียดพลอยทิ้งไปเพราะสิ่งที่ไก่ต้องการไม่ใช่พลอยไม่ใช่เพชรสิ่งที่ไก่ต้องการก็คือไส้เดือนตัวหนอนที่เป็นอาหารของไก่ไก่เลยไม่เห็นคุณค่าความวิเศษของเพชรพลอยต่างๆ พอไปขุดคุยหาใส่เดือนไปเจอเพชรพลอยก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปก็เหมือนกับพวกที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแทนที่จะเก็บพระพุทธศาสนากับเกยบพระพุทธศาสนาทิ้งไปหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาไม่เข้าหาพระพุทธศาสนา ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็ไม่ต่างกับการมาเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราได้มา วัดมาฟังเทศฟังธรรมนี้ยังยังเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะได้ไปรับรางวัลกันเรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาว่าขึ้นกันอย่างไรเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วแล้วนราก็นำเอาไปปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้รับรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราคือพระนิพพานการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของความทุกข์ใจทั้งทั้งปวงต้องเกิดจากการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ที่ถูกต้อง วิธีปฏิบัติที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อรู้จักวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราถึงจะสามารถรับรางวัลของพระพุทธศสาสนาได้คือบรรลุถึงพระนิพพานได้ดังบทในบทสวดใน ในพุธในสังฆคุณที่ได้แสดงไว้สี่ลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติได้ถูก ปฏบตเต็มที่เรียกว่าปฏิบัติดีเหมือนกับนักเรียนที่ไปโรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนทําการบ้านที่ครูอาจารย์มอบให้ทําทุกการบ้านอ่านหนังสือตามที่ครูอาจารย์สั่งให้อ่านแล้วเวลาเข้าห้องสอบก็ทำทำข้อสอบได้ทุกข้อได้คะแนนเต็มร้อย อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการไม่มีเว้นไม่มีไม่มีข้ามกระโดดปฏิบัติตามตามที่ได้ทรงสั่งสอนตามแบบฉบับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบําเพ็ญมานี่เรียกว่าปฏิบัติดีเช่น การขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาท่านก็สอนให้เราทำทานกื้อสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจอย่าไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ แต่มันกลับจะทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดแล้วเราจะได้ไปบวชไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญแบบนี้ ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ทรงออกบวชไปถือศีลรักษาศีลอย่างได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาไม่ทำให้ศีลด่างพร้อยแต่อย่างใดการที่จะรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์นี้จำเป็นที่จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินหาทองไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทอง เรือเกี่ยวข้องกับเงินทองเพราะถ้ามีการเกี่ยวข้องกับเงินทองมักจะมีโอกาสที่จะต้องไปทําบาปได้แต่ถ้าไม่มีการเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วก็จะไม่มีการที่จะต้องไปทําบาปอันนี้คือวิธีแรกวิธีการขึ้นเงินเดือนให้เราเลอกเกี่ยวข้องกับ การหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองเพราะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะพาให้เราไปสู่พระนิพพานไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราไม่ใช่เป็นวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่กลับเป็นวิธีที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปทําให้เราสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาจึงจําเป็นที่จะต้องสละทรัพย์สมบัติไปให้หมดเพื่อที่จะได้ไปบวชได้นั่นเองผู้ที่จะบวชรักษาศีลและปฏิบัติภาวนาได้จะไม่จะต้องเป็นอิสระจากภารกิจอย่างอื่นจะต้องมีภารกิจเพียงภารกิจเดียว ก็คือการเจริญสีนสมาธิปัญญานี้เท่านั้นถ้าเรามีเวลาเจริญสีนสมาธิปัญญาได้อย่างตลอดเวลาก็เหมือนกับนักเรียนที่เข้าห้องเรียนตลอดเวลาสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้พระองค์ทรงสอนให้เราเจริญสติซึ่งเป็นเหมือนกับการ ทำการบ้านนั่นเองทรงมอบ ก, การบ้านมาให้พวกเราทำกันก็คือให้เรามีสติกันให้เรามีใจที่จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะการปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งจะไม่นำไปสู่ความสงบ จำนำไม่นำไปสู่การหยุดของความทุกข์แต่กลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความทุกข์นี้ก็ไม่ได้เกิดมาจากใครที่ไหนความทุกข์ใจนี้ก็เกิดมาจากความคิดปรุงแต่งของพวกเรานี่เองถ้าความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางความอยากต่างๆความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันที ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงส่งหรือเป็นผู้ต่ำต้อยไม่สำคัญไม่ไม่ไม่ต่างกันถ้าคิดไปในทางความอยากแล้วจะต้องมีความทุกข์ใจเหมือนกันหมดดังนั้นการบ้านข้อแรกที่พระเจ้าทรงมอบให้กับผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือให้ไป จเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้จเจริญสติตั้งแต่เตินขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ใจใจจดใจจาะอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าส่งใจไปอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าส่งใจไปที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้ดึงใจไว้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้หรือจะอยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเวลาทําอะไรก็ให้มีสติให้รู้อยู่กับ ก, บการกระทําที่กําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําก็อยู่ ก, กับการอาบน้ําเพียงอย่างเดียวกําลังล้างหน้าฟอกสบู่ก็ให้อยู่กับ งานที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการดึงใจหยุดใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งนั่นเองสิ่งที่จะดึงใจหยุดใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งได้ก็คือสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ ก็จะไม่สามารถยุติความอยากต่างๆได้แล้วถ้าไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะไม่สามารถหยุดความทุกข์ต่างๆได้นี่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันต่อเนื่องกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พวกเราหมัน่นเจริญสติกันให้มากๆให้จเจริญกันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย สำหรับพระภิกษุนี้ท่านก็สอนให้เจริญพอตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายพอเวลาไปบินทบาตก็ให้อยู่กับการบินทบาทพอกลับมาที่วัดมาขบฉันก็ให้อยู่กับการขบฉันเวลานัางบาทก็ให้อยู่กับการนัางบาทเวลาเก็บกวาดสาลงศาลา กว่าถูสาราทำความสะอาดสาราก็ให้อยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นไม่ให้คุยกันพระปฏิบัตินี้เวลาท่านมาทำกิจกรรมร่วมกันท่านมักจะไม่คุยกันท่านมักจะมีสติจดจ่ออยู่กับภารกิจการงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นแล้วพอเสร็จจากภารกิจการงานก็ เดินกับกุติด้วยการมีสติจดจ่ออยู่กับการเดินไปพอถึงสติก็พอถึงกุติก็เก็บข้าวของอัฐ บ, บริขารต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ลงไปทางจงกรมให้เดินจงกรมจเจริญสติต่อดูการเดินจงกรมดูการเดินของร่างกายซ้ายขวาซ้ายขวาไป หรือถ้าไม่ดูร่างกายจะใช้พุทธโธก็ได้เช่นทำอะไรก็ให้มีพุทธโธพุทธโธไปภายในใจเพื่อยับยั้งความคิดตุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้จะคิดแต่เฉพาะเรื่องที่กําลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแล้วพอตอนบ่ายก็ให้ไปปัดกวาดลานวัดกัน ขณะปัดกวาดก็ให้มีสติอยู่กับการปัดกวาดเสร็จแล้วจะดื่มน้ําปานะก็ให้มีสติกับการดื่มน้ําปานะหลังจากเสร็จน้ําปานะระหว่างดื่มน้ําปานะก็ไม่ให้คุยกันต่างคนต่างดื่มไปดื่มเสร็จแล้วก็ให้แยกย้าย ก, กลับไปที่พักของตนไปเดินจงกรมไปภาวนาต่อจนถึงเวลาที่จะต้องส่งน้ําชำระร่างกาย ซักผ้าก็ทำในทาด้วยการมีสติเสร็จแล้วก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนถึงเวลาประมาณสี่หรือห้าทุ่มหลังจากนั้นก็ให้พักผ่อนหลับนอนได้สี่ชั่วโมงถ้าพักสี่ทุ่มก็ตื่นมาประมาณตีสองถ้าพักห้าทุ่มก็ตื่นมาประมาณตีสาม พอตื่นขึ้นมาก็ลุกมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิสลับกันไปต่อจนถึงเวลาที่จะเตรียมตัวออกบินทบาทก็เตรียมตัวออกบินทบาทด้วยการมีสติอย่างต่อเ น, นื่องจะไม่มีสติก็เฉพาะเวลาที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นอันนี้ก็คือการทำการบ้านข้อที่หนึ่งก็คือการเจริญสติเพื่อให้ใจ ได้มีความสงบใจจะไม่สงบเวลาที่นั่งสมาธิถ้าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่มีวันสงบเมื่อใจไม่สงบก็จะไม่ได้อุเบกขาอุเบกขาก็คือใจที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจที่ไม่ยึดมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างใจที่เป็นกลาง ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงอันนี้คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิต้องการอุเบกขาและความสุขที่เกิดจากอุเบกขาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งทางตาหูจมูกวิ่นกาย ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาผู้ที่ได้ความสุขจากสมาธิแล้วนี้จะไม่ต้องการกรับสุขทางตาหูจมูกลล้นกายก็จะทําให้ละกามาตันหาได้อย่างง่ายดายาะมีความสุขใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภานั่นเอง แต่ถ้าใจยังไม่ได้ความสงบไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ความสุขจากอุเบกขาจากความสงบนี้ใจยังจะหิวกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะทำให้การละความอยากต่างๆนี้เป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีกำลังที่จะ ทำใจให้เป็นอุเบกขานั่นเองทำใจให้ปราศจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะพอคิดถึงหรือมองหรือพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะความอยากก็จะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้ใจกระเพิ่มทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาทันทีแทนที่จะทำให้ใจสงบกลับทาให้ใจไม่สงบทำให้ใจฟุ้งขึ้นมา ทำให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นความสำคัญในเรื่องของการเจริญสติเป็นอย่างมากทรงเน้นเสมอว่าไม่มีธรรมอันไดที่จะสำคัญเท่ากับสติเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับรอยเท้าสัตว์คือรอยเท้าช้าง ที่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทุกชนิดนี้รอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี้ไม่มีรอยเท้าสัตว์ตัวใดที่จะใหญ่กว่าหรือเท่ารอยเท้าของช้างได้เลยทมที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญเพื่อรับรางวัลที่หนึ่งคือพระนิพพานนี้ก็คือสตินี้เองถ้าไม่มีสติแล้ว นั่งสมาธิอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใจจะไม่ยอมเข้าสู่ความสงบเพราะจะถูกความอยากคิดในเรื่องราวต่างๆฉุดลากให้ไปคิดอยู่เรื่อยๆปฏิบัติมากี่ปีนั่งสมาธิมากี่ปีก็ไม่มีวันที่จะรวมได้ที่จะทำใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสติที่มีกำลังมากกว่าความคิดปรุงแต่ง ถ้ามีสติที่มีกำลังมากกว่าความคิดปรุงแต่ก็สามารถที่จะควบคุมใจให้จดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ที่จะใช้เป็นที่รวมของใจเช่นการดูลมหายใจเข้าออกเป็นต้นถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนไม่วัดไปคิดเรื่องนั้นไม่วัดไปคิดเรื่องนี้ ไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเลยวแล้วพอมีสมาธิแล้วก็จะสามารถมีกําลังไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆเวลาที่ออกมาจากสมาธิโดยอาศัยปัญญาเป็นคอยสอนให้เห็นโทษของการทำตามความอยากต่างๆว่าเป็นการ เป็นการสร้างความทุกข์เป็นการสร้างภพชาติสร้างการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ไม่ได้เป็นการดับภพบชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วปัญญาก็จะสอนให้ดูในสิ่งที่จะทาให้ไม่อยากได้เช่นให้ดูความตายเป็นต้นให้ดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากเราไป หรือไม่เนั้นเราก็ต้องตายจากเขาไปได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแทนที่จะได้ความสุขเพียงอย่างเดียวก็จะต้องได้ความทุกข์ด้วยเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาจะคอยสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากแล้วใจที่มีอุเบกขาก็จะสามารถทาใจให้เฉยได้ ไม่ทำตามความอยากได้ถ้าใจไม่มีอุบเบกขาถึงแม้ปัญญาจะสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากการทำตามความอยากนำไปสู่การสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าใจไม่มีอุบเบกขาก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการกระทำตามความอยากได้แล้วก็พอทำตามความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะก่อนที่จะได้สิ่งที่อยากได้ก็ต้องไปแสวงหากันไปแก่งแย่งชิงดีกันแล้วพอได้มาก็จะต้องมาคอยกังวลกับการดูแลรักษาแล้วเวลาเสียไปก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์ทุกขั้นตอนขั้นตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะได้อะไรท่านก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้ว เกิดความกังกวลกังวลใจขึ้นมาแล้วแล้วพอได้มาก็เกิดความวิตกกังวลห่วงใหญ่กับสิ่งที่ได้มาแล้วเวลาที่ต้องพัดพากจากสิ่งที่ได้มาไปก็เป็นการเศร้าโศกเสียใจต้องพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุข ความสุขที่ได้เป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆอยที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนะเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ดูแล้วก็เป็นเหมือนอาหารอันโอชะแต่พองับเหยื่อเข้าไปแล้วก็ต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอันนั้นะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้จากการพุกเหยื่อเข้าไปผู้ที่ฉลาดจึงไม่ไป ไปฮุบเหยื่อกันเพราะเห็นเพราะรู้ว่ า, าภายใต้เหยื่อนั้นมีตะขอเบ็ดอยู่ที่จะเกี่ยวปาผู้ไปหุบนั่นเองผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการทําตามความอยากนี้ก็จะต้องถูกความจะต้องไปเจอความทุกข์ความสุขที่บังไว้อยู่ข้างหน้าเป็นความสุขเพียงชิ้นเล็กๆ เ, เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นนี่คือ ปัญญาปัญญาจะสอนใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรถความอยากมีอยากเป็นเช่นความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากร่มอยากรวยหรือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเหล่านี้เป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ได้เป็นการสร้างความสุขใจต้องหยุดความอยากนี้ ทันทีเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าใจมีอุเบกขามีกำลังก็จะหยุดได้ทันทีตามคำสั่งของปัญญาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ปัญญาจะสั่งให้หยุดก็หยุดไม่ได้เช่นเวลาจะต้องไปเผชิญกับความตายก็เกิดความอยากอยู่เกิดความไม่อยากตายขึ้นมาปัญญาก็จะบอกว่าความ อยากอยู่ความอยากไม่ตายนี้เป็นเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจไม่ใช่ความตายที่จะทำให้ทุกข์ใจความตายนี้ไม่ทำให้ใครทุกข์ใจแต่เหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจ well. กันก็คือความอยากไม่ตายกันถ้าเรามีความอยากไม่ตายเราก็จะกลัวสุดขีดเราก็จะทุกข์สุดขีดเพราะเราไม่อยากตายกันแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายที่เรายึด ที่เราถือว่าเป็นตัวเราของเรานี้มันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราบอกใจให้ปล่อยถ้าใจมีออเบขาก็จะปล่อยได้ถ้าใจไม่มีออเบขาถึงแม้จะรู้ว่ามันจะต้องตายถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราใจก็ปล่อยไม่ได้ ก็สู้กําลังยึดติดของกิเลสตัณหาไม่ได้สู้กําลังยึดติดของอุปทานไม่ได้อุปทานถ้ามีกําลังมากกว่าอุเบกขาก็จิตก็จะไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่อุปทานไปยึดไปติดได้ถึงแม้จะมีปัญญาสอนว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากก็ไม่สามารถหยุดความอยากหยุดอุปทานได้ ก็จะต้องทุกต่อไปนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อหยุดความทุกข์ดับความทุกข์ใจเพื่อสร้างพรันิพานขึ้นมาภายในใจจำเป็นจาเป็นที่จะต้องเริ่มที่สติเพราะถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้ เมื่อใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากหยุดอุปทานได้เวลาปัญญาสอนให้ปล่อยวางสอนให้หยุดความอยากถ้าไม่มีปัญญาถึงแม้จะมีอุเบกขาก็จะไม่ไดเอามาใช้หยุดตัณหาความอยากเช่นในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธจเจ้ามาตัดสรู้ถึงเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจ ว่าเป็นตันหาคือกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตันห า, ะะนหาผู้ที่นั่งสมาธิได้เข้าฌานได้เวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากเหล่านี้ก็ไม่หยุดมันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวปัญหาตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็เลยไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ จากการที่มีสมาธิมีอุเบกขาแล้วมีผู้บำเพ็ญได้สมาธิได้อุเบกขามากมายในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญแต่ยังไม่ได้ทรงตัดสั้จยงยังไม่มีใครรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนี้มาจากตัณหาความอยากต่างๆตัณหาสามประการคือการมกตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา พอเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมาแทนที่จะหยุดมันก็ปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พยายามแก้ด้วยการเข้าไปในสมาธิก็ยังไม่ได้สามารถที่จ ะ, ะทําลายตัณหาต่างๆได้จะทําลายตัณหาต่างๆได้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจ การทำตามตัณหานี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจแต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ใจทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องดับด้วยปัญญาคือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากให้อยู่กับเรานี้ไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเช่นร่างกายของเรา เรานี้ไม่สามารถที่จะครอบครองร่างกายนี้ไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่มีปัญญาวิธีที่เราจะ ระ ง, งับความทุกข์ใจก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เราไม่ได้ระ ง, งับความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากไม่ด้วยการทําลายความอยากการเข้าไปในสมาธิก็ไม่ได้ไปทําลายความอยากเพียงแต่ระ ง, งับความอยากไว้ชั่วคราวพอจากสมาธิมาใหม่ก็จะเกิดความอยากใหม่อีกเช่นเหมือนเดิมผู้ที่บําเพ็ญในยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสโรนี่ เขามีอุเบกขากันเขาเข้าสมาธิได้เขาหยุดความทุกข์ได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาที่ออกจากสมาธิมาเขายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เพราะเขาไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรนั่นเองแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงคนพบความจริงว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตาย มาจากความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นพอรู้เท่านี้พอเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้มีความอยากเหล่านี้ด้วยการให้ยอมรับความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้สิ่งต่างๆ ไม่อยากได้ร่างกายอันนี้ไม่อยากได้ร่างกายของสามีภรรยาไม่อยากได้ร่างกายของลูกของใครก็ตามเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายเพราะห้ามไม่ได้อยากแล้วทุกถ้าอยากไม่ให้เขาไปแล้วจะทุกเนอันนี้ก็จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรแล้วก็จะทำลายความทุกข์ได้อย่างถาวรจึงไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อนหนีความทุกข์เพราะไม่มีความทุกข์ผู้ที่ได้บําเพ็ญถึงขั้นปัญญาละละตันหาความอยากต่างๆให้หมดจากจิตจากใจไปได้แล้วก็ถือว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้วได้ได้ไดทาหน้าที่ของการไปรับเงินรางวาัลได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้ว วุติตังบ ร, รมเจ้าอะไยังจิตในพรหมจารย์ได้สิ้นเสร็จลงแล้วไม่มีกิตอื่อใดที่จะต้องทำอีกต่อไปก่อนที่ไปขึ้นรางวัลแล้วทำตามขั้นตอนที่เขาให้ทำทุกขั้นตอนครบแล้วก็จะได้รับเงินรางวัลเมื่อได้รับเงินรางวัลแล้วภารกิจของการขึ้นเงินรางวัล น, นี้ก็หมดสิ้นไปขั้นต่อไปก็ไปใช้เงินรางวัลไปเสวยไปไปใช้ไป ไปรับความสุขจากการที่ได้รับรางวัลก็คือได้พระนิพพานได้ปลมังสุขขังนิบานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นความเป็นบรมมาสุขเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันจางเป็นความสุขที่เป็นของเราอย่างแท้จริงจะไม่มีการพัดพาจากเราไปอีกแนะ่จะไม่มีวันพัดพาจากเราไปอย่างแน่นอน นี่คือวิธีการที่เราจะมาขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนากันขึ้นด้วยการศึกษาวิธีที่เราจะไปขึ้นรางวัลว่าจะต้องขึ้นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็นำเอาไปสู่การปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่ของการขึ้นรางวัลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการเมื่อเราทาหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์ผลก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการละตันหาทั้งปวงด้วยการทำละทำลายตันหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วใจก็จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาความเชื่อ ที่จะศึกษาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็จะปรากฏขึ้นมาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้ไปถึงพระนิพพานก็จะเป็นผลเมื่อได้ถึงพระนิพพานแล้วปัญหาต่างๆก็หมดไป ความทุกข์ต่างๆก็หมดไปใจก็จะอยู่กับความสุขที่ถาวรนี้ไปอย่างตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าและพระอาารันตสาวกตอนนี้ท่านก็ยังมีอยู่ท่านอยู่กับบาลมมุสลมมสุขอยู่กับปรมังสุขขังใจของพวกเราตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันแต่ใจของพวกเราตอนนี้อยู่กับบรมทุกขขังอยู่กับความทุกขนานาประการ เดี๋ยวก็ทุกกับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกกับเรื่องนี้นเดี๋ยวก็ทุกกับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ทุกกับสิ่งนี้ทุกไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาหาความทุกข์ใหม่เพราะเราไม่ไปขึ้นรางวัลกันดังนั้นตอนนี้เราได้ถูกเลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศา ส, ส, สหหนาแล้วขอให้เราไปขึ้นรางวัลกันเถอดไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกแล้วปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่ ป, ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยแล้วเราก็จะได้รับผลของพระพุทธศาสนาได้รับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา เพียงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบไม่ถามปัญหาจับ กรารนมัสการนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกเกิดปิติที่ตัวเองเพียงแค่ได้มานะวันนี้หลังจากนี้ไปคำพูดของผมอาจจะเหลือไว้หรือเป็นเพียงแค่ลมสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะกล่าวถึงจุดของผมแล้วใช่ไหมครับ จุดอะไรล่ะจิตที่มุ่งสู่นิพพานอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะใช่ครับเกิดการอธิษฐานขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะศึกษาจะปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นออันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่พระนิพพานเหมือนกับก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็ต้องตั้งใจว่าวันนี้เราจะไปไหน ถูกต้องครับพอเราตั้งใจแล้วเราก็ออกเดินทางไปตามที่เราวางแผนไว้หลังจากนั้นถ้าเราเดินทางไม่หยุดเดี๋ยวเราก็ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถูกครับคําถามนี้นะครับขอบคุณครับระหว่างทางเราก็อาจจะต้องคอยตรวจดูแผนที่อยู่เรื่อยๆคอยอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อเราจะได้ไม่ปฏิบัติผิดครับ ถ้ามีปัญหามีความไม่เข้าใจก็ต้องเข้าหาผู้รู้ให้เขาช่วยให้ช่วยแก้ปัญหาให้ถ้าเราแก้ปัญหาเองไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องมีครูมีอาจารย์ถึงจะไปได้อย่างปลอดภัยถ้าไปเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์มีหนังสือเพียงอย่างเดียวก็อาจจะหลงทางได้ <c oughs> ก็ต้องระวัง ถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องมีความระมัดระวังมีความรอบคอบถ้าปฏิบัติไปเราเห็นว่าถ่าไม่ดีก็ถอยกลับมาไปปรึกษาไปดูค้นคว้ายูตำราว่าไปถูกทางไหมเพราะมันมีทางไปหลายทางมีทางแยกหลายทางแยกด้วยกันเวลาปฏิบัติครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งไม้ไปทาง กับน้มัส ก, การค่ะออออหนูขออนุญาตนะคะสอบถามว่าในเวลาที่มีชีวิตประจําวันนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีออราคาเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมีราคาหรือว่าเวลาที่เรามีโทสะเกิดขึ้นเราก็รู้มีโทสะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พิจารณานะคะมันก็หายไปบางครั้งเนี่ยบางเรื่องมันมันมันอาจจะมากหน่อยเนี่ยเราเราก็เหมือนรอดูจนมันหายไปเองอะค่ะเราก็เราก็ เห็นความไม่เที่ยงของมันอย่างนี้มันมันมันก็พอได้นะคะแต่ว่ามันจะมีจุดบางครั้งในระหว่างที่เรารอมันมันหายไปเราชอบมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ที่เราเป็นนะคะหมายความว่าถ้ามันมีราคาเราก็จะเหมือนไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่ดีหรือถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ดีในจิตใจเกิดขึ้นเราก็เหมือนจะพอใจรู้สึกว่าสองตัวนี้มันมันชอบแทรกตลอดหไม่แน่ใจว่า เราควรจะจัดการตัวที่แทรกหรือเปล่าเพราะจริงๆตอนที่เราดูทมหรือพิจารณารมไปเนี่ยมันมันมีตัวนี้แทรกบ่อยนะคะอาจจใจเราไม่มีอุเบกขาใจเราไม่มีสมาธิต่ต้องทำสมาธิก่อนที่จะไปทางปัญญาได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะไม่มีรักมีชังในขณะที่เราพิจารณาสิ่งต่างๆจะเห็นตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้ เราต้องเจริญสมาธิก่อนศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้อย่างเป็นเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่จะกำจัดความรักความชั่งต่างๆได้ถ้าในตอนในตอนนั่งสมาธิอะนะคะมันเหมือนมีสมาธิมันเหมือนมั น, ม, นมันก็พอจะได้อะนะคะ ที่โยมถามนี่คือตอนที่โยมไม่ได้นั่งค่ะท่านใชสแสดงวัสมาที่เรายังลงไม่ลึกยังไม่รวมใช่ไหมจิตเคยรวมไห้ยังเค ย, เคยรวมเคยรวมค่ะรวมบ่อยๆ่อยคร่ะรวมบ่อยค่ะร ว, วมบ่อยแล้วยั ง, ย, งยังทําให้ใจเป็นกลางไม่ได้เวลามาใช่เวลาเวลาในฐานพิษเหมือนเหมือนได้ค่ะแต่เวลาออกมามันจะมีช่วงไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ตลอดค่ะคือจะเป็นแค่บางช่วงก็ต้องใช้ปัญญาดึงใจให้กลับมาสู่ความเป็นกลาง พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะไปสั่งไปบังคับไปห้ามมันได้มันก็จะกลับมาที่เป็นการเป็นกลางได้ถ้าอย่างไปคิดว่ามันเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับได้เราก็ยังจะมีอคติอยู่กับมันอยู่ พอโยมมักจากคติกับสิ่งที่โยมคิดนะคะเหมือนกับว่าถ้ามั น, น, นด้านไม่ดีอันนี้นยอมก็ใช้ตรงนี้ได้กับเรื่อจิตมันความคิดมันอาจจะเป็นปัญญาก็ได้อาจจะเป็นกิเลสก็ได้เราอาจจะคิดว่าเป็นปัญญาแต่มันเป็นกิเลสก็ได้ออถ้ามันเป็นอคติมันก็เป็นกิเลสถ้ามันเป็นอคติมันก็เป็นปัญญา ที่เราคิดนี่ไม่ใช่เป็นปัญญามันถึงยังเกิดอคติขึ้นม า, าอู่ใช่ค่ะถ้ามันเป็นปัญญามันจะไม่มีอคติเข้าใจค่ะกลับ ข, ขอบพระคุณค่ะคำถามจากทางบ้านจากคุณซีซีจูน สิได้อ่านหนังสือและฟังธรรมพระอาจารย์มาได้ระยะหนึ่งได้ยินคําว่าโผฏพภะหลายครั้งเดาว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วโผฏพภาน่าจะแปลว่ากายหรือสัมผัสถูกต้องหรือไม่คะใช่สัมผัสทางร่างกายเช่นความหนาวเย็ยนร้อนแข็งนุ่มและพวกนี้ที่ใช้ร่างกายเป็นตัวรับรับสัมผัสเรียกว่าโผฏพภา คำถามจากคุณแม่การลูกสาวไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญว่ามีจริงหรือพาไปวัดจะมีคำถามว่าจะพามาทำไมสวรรค์นรกมีจริงหรือเปล่าบุญที่ทําเวลามาวัดจะมีจริงไหมจะอธิบายลูกให้เข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไรดีคะก็พาเขาไปหาพระที่เข า, าสอนธรรมะเก่งๆไปฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ การฟังทำอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ความสงสัยต่างๆหมดไปได้คำถามจากคุณสอนเพจคนเราเกิดมาทำไมเกิดจากอะไรและเกิดมาเพื่ออะไรครับเกิดมาด้วยความอยากความหลงความหลงทำให้เกิดความคิดว่าการมีร่างกายการมีความสุขผ่านทางร่างกายเป็นวิธีมีความสุขก็เลยมามีร่างกายมาเกิดกัน พอเกิดมีร่างกายก็สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายได้พอร่างกายตายไปก็อยากความอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายยังไม่หมดก็กลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดคําถามจากคุณทศพลระหว่างสวดโมนพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากา มหาเมตตาใหญ่และเพร่แผเมตตากุศลกับทาวัดเย็นอานิสงฆ์ของการสวดส่วนไหนผลบุญแรงกว่ากันครับการสวดนี้เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกทําสมาธิไม่ว่าจะสวดบทไหนผลก็เหมือนกันคือความสงบจะสงบมากสงบน้อยก็อยู่ที่ว่าใจเราจดจ่ออ ย, อยู่กับการสวดมากน้อยเพียงไรถ้าจดจ่ออ ย, อยู่กับความส การสวดอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะสงบมากถ้าสวดไปคิดไปก็จะสงบน้อยคำถามจากคุณพีระพง์ถ้าผมไปแนะนำอาชีพเกษตรให้ญาติพี่น้องซึ่งผมรู้อยู่ว่าจะต้องกำจัดมแมลงแน่นอนแต่ผมไม่บอกเขาเลยเรื่องศัตรูพืชและการกำจัดปล่อยให้เขาค่อยเจอปัญหาและแก้ไขเอง กับอย่างหนึ่งผมบอกไปเลยว่ามีมแมลงมารบกวนแต่ห้ามฆ่ามันนะให้ใช้วิธีป้องกันอยากทราบว่าการไม่บอกเรื่องมแมลงกับบอกแต่ห้ามฆ่าถ้าในที่สุดแล้วเขาฆ่ามแมลงตลอดการทำอาชีพที่ผมแนะนำผมมีส่วนที่ต้องรับกรรมด้วยไหมครับการกระทานี่เกิดอยู่กับผู้กระทาผู้สอนก็อาจจะเป็นผู้ที่ เหมือนกับคนบอกทางให้คนเดินไปถ้าบอกทางที่ไม่ปลอดภัยผู้เดินไปเขาก็จะประสบกับอุบัติเหตุต่างๆก็จะเป็นการสอนที่ไม่ดีเป็นการกระทาที่ไม่ดีจะเรียกว่าบาปหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคาสอนของเรานี้เป็นความสอนที่ตรงกับความจริงหรือไม่ ถ้าสอนโดยที่ไม่ตรงกับความจริงเป็นการโกหกหลอกลวงก็ถือว่าบาปได้แต่ถ้าสอนแล้วบอกความจริงแต่บอกไม่หมดอันนี้ก็ก็เรียกว่าจะเป็นก็ขึ้นอยู่เจตนาว่าทำไมไม่บอกให้หมดถ้าต้องการปกปิดก็เหมือนกับการการหลอกลวงก็ไม่ควรถ้าจะสอนอะไรก็ต้องบอกให้หมดคนที่เขาจะ นำมาไปปฏิบัติเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้รับผลอะไรตามมานอกจากเราไม่รู้จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกเขาแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไปปลกปิดไว้อันนี้ก็ไม่ควรเป็นการกระทำที่ที่เป็นโทษกับผู้อื่นก็เหมือนกับการทำบาลด้วยวาจาคำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งขอหลวงพ่อเมตตา ขอบเขตของคําว่าอดทนอดกลั้นว่ามันจะต้องคิดแบบไหนและทําอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าผู้มีความอดทนอดกลั้นคะคือความอดทนนี้หมายถึงให้เราทนกับสภาพต่างๆที่มาที่มากระทบกับเราเช่นความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายบางวันขาดอาหารบางวันขาดน้ําำ ขาดอะไรต่างๆก็อย่าไปวุ่นวายกับการขาดแคลนเหล่านั้นให้ทําใจเฉยๆให้เปจิตใจเป็นปกติอยู่กับมันไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายให้คิดอย่างนี้ว่าอย่างมากก็แค่ตายก็จะเกิดความอดทนขึ้นมาได้แล้วก็หรือมองว่าของต่างๆที่มัน เกิดขึ้นกับเรานี้มันเป็นของสุดวิสัยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกน้ําท่วมเราก็ไม่ค่อยวุ่นวายใจกันเท่าไหร่เพราะเรายอมรับกับสภาพของสิ่งต่างๆได้เพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้ฉัในใดเวลาเราเจอกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับชีวิตของเราเราก็ ให้ทำใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราก็ได้มอนถึงทาให้เราจะต้องมาประสบกับเคาะกรรมอะไรต่างๆถ้าถ้าเราไม่ไปพยายามที่จะเด่นด้นรนหนีมันหรือพยายามที่จะให้มันหายไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับมันได้เราก็จะทนอยู่กับมันได้ นี่คือวิธีการฝึกความอดทนไม่ใช่อดทนด้วยการไม่มีปัญญาอดทนแบบนั้นอดทนไม่ได้ต้องอดทนด้วยปัญญาแล้วก็จะอดทนได้ถ้ามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นอนัตตาเนี่ยฝนฟ้าอากาศเนี่ย้าร้องตอนนี้มันก็ห้ามมันไม่ได้มันจะร้องก็ร้องมันจะตกก็ตก อะไรที่มาเกิดกับเราก็มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปถ้าเราหลบไม่ได้หรือไม่ได้หนีไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไปอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันอันนี้เรียกว่าความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราส่วนความอดกลั้นนี่คือให้อดกลั้นกับอารมณ์เช่นความโลภความโกรธอันนี้ก็ต้องใช้ธรรมะใช้สติหรือใช้ปัญญาถึงจะอดกลั้นได้ เวลาเกิดความโลภ ค, ความโกรธ ถ, ถ้าใช้สติก็ให้เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปอย่าให้เราไปคิดถึงสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราโกรธพอเราไม่คิดถึงมันความโลภ ค, ความโกรธก็จะละ ง, งับไปเราก็จะอดกลั้นได้หรือถ้าเราจะระ ง, งับแบบถาวรเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราโลภมันเป็นเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปสู้อยากไปโลภอยากได้ดีกว่า พอเห็นด้วยปัญญาก็อาจจะเลิกได้เลิกความโลภความอยากได้อันนี้ก็จะทำให้เราอดกั้นกับความโลภได้อย่างง่ายดายความโกรธก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราโกรธนั้นเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราเขาทำไปแล้วก็เกิดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วโกรธก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาด่าเราแล้ ว, ลวมันก็จบไปแล้ว เราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ว่ามันเราไปทำอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วเราห้ามเขาไม่ได้เขาก็เหมือนเหมือนเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้นี้ร้องปุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วเสียงคนด่า ก, ก็เหมือนเสียงฟ้าร้องด่าแล้วก็ผ่านไปแล้วถ้าเราฟังเฉยๆไม่ไปมีปฏิกิริยาอะไรเราก็จะระ ง, งับอารมณ์โกรธได้ข้อที่สอง หนูเคยฟังชาดกเรื่องพระเวสสันดรตอนที่ชูโชกข อ, อกันหาชาลีไปแล้วตีต่อหน้าพระเวสสันดรตอนนั้นบรรยายว่าพระเวสสันดร <lum. S 1> โกรธจนแทบจะฆ่าชูโชกได้การที่พระเวสสันดรระงับความโกรธไม่ทํำร้ายชูชกใช้ความอดทนอดกลั้นใช่ไหมคะก็ใช้ความอดกลั้นเนี่ยถ้าใช้สติก็เพียงแต่ระลึกพุทโธเรื่อง สวดอะไรไปไม่ให้ไปคิดถึงชูชกถ้าใช้ปัญญาก็บอกว่าห้ามเขาไม่ได้ลูกไม่ใช่ของเราแล้วเรายกให้เขาไปแล้วเขาจะไปตีไปฆ่าก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้เป็นลูกของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะหายโกรธหมด แ, แล้วนะก็จะมีคำถามทางบ้านที่ถามผ่านทางเ c e b o o k กับยนะูท<ม>ูอก็ ใครที่ติดตามทาง YouTube หรือ Facebook ก็อยากจะส่งคำถามก็ทยอยส่งกันเข้ามาได้ครับคำถามจากคุณเฟิร์นนะครับการทำทานตามกำลังซึ่งคนรวยก็ทำได้มากกว่าคนจนแบบนี้คนจนทำทานน้อยจะได้บุญน้อยกว่าหรือเปล่าคะก็แน่นอนมันก็อยู่ที่ปริมาณของการทำแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนรวยจะ ทำมากกว่าคนจนเสมอไปว่าคนรวยที่ไม่ทําทานก็มีเยอะแยะไปคนจนแยะกลับจะได้ทําฐานมากกว่าคนรวยดังนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเขาจะทํามากทําน้อยมันก็เป็นเรื่องของเขาเราควรจะกังวลที่ตัวเรามากกว่าว่าเราทํามากหรือทําน้อยทําน้อยก็รีบทํามากทําให้มันมากเสียอย่าไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วต่อไปเราก็จะได้ทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบุญทุกบาทที่เราทำนี้ชาติหน้าเรากลับมาก็จะได้คืนแลได้ได้มากกว่าเดิมเพราะมีดอกด้วยดอกทบตน้นแล้วถ้ากลับจะกลับมาเกิดหลายร้อยปีนี้คิดดูอดอกมันะาะอาจจะมากกว่าต้นเ ส, สอีกแล้วเรากลับมาคราวหน้าเราก็จะมีเงินมากกว่าชาตินี้เราก็จะได้ทำบุญมากกว่าถ้าเราทานี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีเงินมาก เป็นมหาเศรษฐีเราก็ทำบุญแบบมหาเศรษฐีได้งั้นอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นให้กังวลเรื่องของเราดีกว่าขอให้เราดูที่ตัวเราว่าเราทําบุญมากหรือทาบุญน้อยถ้าเรายังทำได้มากกว่านี้ให้ทำเถิดถ้าเราอยากจะได้บุญมากอย่าไปกังวลว่าคนอื่นเขาทำมากกว่าเรากังวลว่าเราทำน้อยไปดีกว่าเราควรจะทำให้มากขึ้นตามกาลังของเรา คำถามจะคุณณัทกรนะครับกรณีนั่งสมาธิแล้วยกตัวอย่างแรงจนหัวขมาไปเลยจิตรู้แต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับเพราะนั่งสมาธิในห้องไม่มีพื้นที่เดินจงกรมเพราะไม่มีสตินั่งต้องมีสติควบคุมใจแล้วจะไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายจะพุโทโธก็ได้จะรดูลมหายใจก็ได้ แต่ถ้านั่งเฉยๆปล่อยให้ใจมัน เ, เพ่นพ่านไปเดี๋ยวมันก็แผงฤทธิ์ทำให้ร่างกายหัวคำอ่ำลงไปก็ได้คำถามจากผู้ฝากถามที่นี่นะครับหลังจากที่เราใส่บาตรและใส่ซองผ้าป่ากรถินการร่วมบุญทำบุญต่างๆควรอธิษฐานจิตอย่างไรถึงจะถูกต้องและบุคคลที่เราต้องการอุทิศให้จะได้รับหรือไม่จริงหรือไม่ ก็บุญที่เราทำนี้ส่วนหนึ่งเราก็สามารถแบ่งให้ผู้ที่ร่วงรับไปได้วิธีจะแบ่งวิธีอุทิศก็ให้เราลับลึกภายในใจเช่นขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ชื่อนั้นชื่อนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วส่วนผู้รับเขาจะรับได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่สถานภาพของเขาถ้าเขามีบุญมากเขาไม่ต้องพึ่งบุญที่ พึ่งพึ่งบนอุทิศเขาก็จะไม่มารอรับส่วนบุญนี้แต่ถ้าเขายากจนเขาขาดบุญเขาก็จะมารอรับบุญอุทิศนี้ไปคาถามข้อต่อไปนะครับการดำรงชีพด้วยอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เช่นกุ้งไก่หมูเป็นบาปหรือไม่การเลี้ยงนี้ไม่เป็นบาปแต่มันก็เป็นส่วนที่จะไปสนับสนุนให้เกิดการทาบาป เชนถ้าเลี้ยงแล้วไปขายให้เขาเอาไปฆ่าเพื่อที่จะได้เอาไปขายตามท้องตลาดอาชีพอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่ควรทำเพราะจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหแก่ผู้อื่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะให้เป็ดไก่มันเดือดร้อนเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องถูกจับไปฆ่าเพื่อที่เขาจะได้เอาไปขายเอาเงินมาดังั้นเราก็อย่าไปทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่น สงสัยว่าทำไมการสวดมนต์และการทำวิปัสสนาจึงได้บุญครับก็บุญที่เกิดจากความสงบนี้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงยิ่งถือว่าเป็นบุญมากที่สุดการทำบุญนี้ก็เพื่อสร้างความสุขใจทำทานนี้ก็ได้ความสุขใจรักษาศีลน้ก็ได้ความสุขใจแต่จะไม่ได้ ความสุขใจเท่ากับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบหรือการเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้ยิ่งทำให้เกิดความสุขอย่างมหาศาลขึ้นมาคำถามนะครับไม่ค่อยชัดนะครับการต้องพูดจาหลอกเด็กด้วยเหตุใดไม่ทราบ น, นะครับจะบาปไหมคะถ้าเป็นกุศโลบาย<ม>ก็ไม่บาปนะ คำถามข้อต่อไปนะครับพระอุ้มลูกสาวอายุไม่กี่เดือนบาปหรือไม่เป็นาเป็นผิดผิดหรือไม่ครับผิดศีลเพราะว่าพระแต่ต้องเพศตรงกันข้ามไม่ได้คำถามจากคุณเกษรานะครับเวลาเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นเพื่อนร่วมงานเอาเปียบ ลูกอ๋อขอผ่านไปนะครับเพถามไม่ไม่รู้เรื่องนะครับอั น, นคําถามเหมือนกันนะครับอ่าประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งอ่าพึ่งผ่านไปนะครับอ่าคำถามจ้าคุณบัวบัวทิพย์นะครับญาติเราเปิดร้านขายของแต่ค้าขายไม่ดีเจ้าของร้านเก่า เขาบอกว่าร้านนี้เคยเลี้ยงกุมานไว้เราไม่รู้เขาหาว่าเราไม่เลี้ยงดูกุมานนี้ลบหลู่เขาทาให้ร้านขายไม่ขึ้นควรแนะนำญาติเราอย่างไรดีคะก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปทําตามที่เขาพูดถ้าเชื่อก็ต้องไปทําตามที่เขาพูดคำถามจากคุณมดงามนะครับ ผู้ที่ขายกาแฟาจะถือว่าขายสิ่งเสพติดมีพิษมีโทษหรือไม่เป็นสิ่งเสพติดแต่มันไม่มีพิษมีภัยก็าถึงไม่ได้ออกกฎหมายหา้ามคือยังมีพิษแต่มีพิษน้อยไม่เหมือนกับสุรายาเมาไอเหมือนเหมือนกับยาเสพติดต่างๆที่มีพิษรุนแรงกว่าสารของสารของกาแฟาคือการติดนี้มันเป็นการติด เราจะทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราไม่ได้เสกมันถ้าเราไม่ติดมันก็ดีเวลาไม่มีเสกเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคาถามจากคุณสุนะครับเวลาเราทำบุญเราอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งมีคนบอกว่าอุทิศให้เขาเราก็ไม่เหลือบุญเป็นของเราจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกองั้นเาก็เขาก็ไม่สอนให้อุทิศกันเลย บนส่วนใหญ่นี้ยังอยู่กับเราอยู่บนอุทิศนี้เป็นส่วนย่อยคำถามจากคุณบอระพัดอยากทราบว่าเวลาบินทบาตตอนเช้าเคยได้ยินมาว่าเขาให้มองเห็นลายนิ้วมือแล้วจึงออกบินธบาตใช่ไหมครับสำหรับพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อนที่จะออกนอกวัดได้จะต้องสว่างก่อน ไม่งันถือว่าขาดการจำพรรษาคือไม่ได้ค้างแรมอยู่ในวัดตลอดทั้งคืนออกไปก่อนสว่างนี้เวลาออกไปบินทบาียังไม่สว่างดีพอกลับจากบินธบาีแล้วก็เป็นสว่างเต็มที่นี่เรียกว่าเป็นการวันใหม่แล้วสมัยโบราณนี้เราจะนับวันใหม่ตรงที่ตอนสว่างไม่ใช่ตอนเที่ยงคืนสมัยปัจจุบันนี้เราใช้นาฬิกา เ้าก็เลยนับวันใหม่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วแต่ทางโบราณนี้เขาให้ดูดวงอาทิตย์ดูตะวันถ้ายังมืดอยู่ยนี้ยังเป็นวันเก่าอยู่ยังเป็นกลางคืนอยู่ถ้าสว่างจนเห็นลายมือได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันใหม่ถ้าถ้าออกไปบินฑบาติที่ตอนที่ยังไม่สว่างก็เหมือนกับว่าไปบินธบาตบินธบาตเมื่อวานนี้ พอกลับมาก็เป็นวันใหม่อาหารที่ได้ก็เก็บไว้ไม่ได้เพราะห้ามเก็บอาหารข้ามคืนยันต้องต้องรอให้เป็นวันใหม่ก่อนแล้วก็ไปบิณฑบาตแล้วอาหารที่ได้มาก็จะเก็บได้ไม่เกินเที่ยงวันแล้วก็ต้องสละไปแต่ถ้าออกตอนตอนกลางคืนยังมืดอยู่เป็นยังเป็นเมื่อวานนี้อยู่แล้วพอไปบิณฑบาตกลับมาเสร็จเป็นวันใหม่แล้ว ขณะที่บิณตบาดยังมืดอยู่นี่ก็ถือว่าบิณฑบาดเมื่อวานนี้อาหารที่ได้เมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถเก็บข้ามคืนเอามากินในวันนี้ได้จึงต้องออกบินตบาดหลังจากที่มันสว่างแล้วเป็นวันใหม่แล้วคําถามจะคุณจุ๋มนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วตัวเหมือนโยกเอนตลอดควรนั่งท่องพุโทโธแล้วใจหลุด จากนั่งโยกใหมใช่ไหมคะอะ่อย่าไปสนใจเวลานั่งแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายมันจะรู้สึกอย่างไรก็ช่างมันให้เราอยู่กับคําบริกรรมไปหรืออยู่กับการดูลมไปคําถามจากคุณโมนีนะครับเราจะวางตัวอย่างไรที่ต้องทํางานอยู่ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงๆโบนัสเยอะๆหนูคิดว่าหนูพอแล้ว ถ้าหนูใช้นี่หมดก็จะออกมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่คนที่ทำงานกับมองว่าเราล้าหลังไม่คิดถึงความก้าวหน้าในชีวิตหนูคิดว่าไม่อยากเข้าวัดตอนที่แก่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วไม่อยากมุ่งมั่นแต่หาเงิน แล้วมารักษาตัวตอนแก่อยากหาแบบพออยู่ได้ไม่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกับใครพระอาจารย์ช่วยชีแ้แนะการทำงานอยู่ในสังคมที่มีแต่การแข่งขันกันแต่หาความสงบไม่ได้เลยก็ให้รู้ว่าความเจริญที่แท้จริงนีน่เจริญด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญด้วยการหาเงินหาทองยันกครอยากจะหาเงินหาทองแล้วคิดว่าเขาเจริญก็ปล่อยก็าหาไป แต่เรานี้จะหาความเจริญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันคำถามจะคุณรัต ด, ดาสวดมนต์บทไหนจึงดีที่สุดคะบทไหนที่เราถนัดที่เราชอบแล้วสวดแล้วได้ความสงบในปะ็นบทนั้นแหะดีที่สุดหมดคําถามแล้วครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอยังไหม เดี๋ยวจะให้เวลานั่งคิดสักพักหนึ่งก่อนก็ได้นั่งดื h, ่มน้านั่งภาวนาไปเดี๋ยวคำถามว่าเข้ามาเองถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเราก็จะได้เลิกประชุมกันเพราะคิดว่าญาติโยมก็ฟังกันมามากที่บ้านก็ถามกันมามากจนกระทั่งไม่รู้จะถามอะไรแนละ้วมีคำมีคำถามหนึ่งที่ส่งส่งมาทางทางทางข้อความครับถามไหมครับอาจารย์ เกี่ยวกับการประราชิกอะไรเงี้ยเหมือนกันเรื่องของพระก็อย่างอะไรที่การเราส่วนให ญ, ญ่ฟังเป็นญาติโยมฟังกันอ่ะว่มามา ค, ค่ะวันนี้ที่ท่านเทพเกี่ยวกับว่า อ, อตอนช่วงที่เรื่องของความอยากนะคะดูเหมือนกับว่าคือถ้าเราไม่มีความอยากทั้งสามชนิดแล้วเราก็จะเ อ, อเหมือนจะ จะจะมีความสุขหรือว่าใกล้พันิุพา น, นะคะหรือว่าถึงพันธุพานนี่อยากจะถามว่าคือความอยากเนี่ยมันมันมีเหตุปัจจัยเราไม่แน่ใจว่าเราเราจะเราจะทำยังไงให้ความอยากมันเกิดน้อยที่สุดสมมุติอย่างเรารู้ว่าเราอยากแล้วเนี่ยเราไม่ทําตามใจมันอย่างเี้ยเป็นขั้นต้นที่จะพอ ได้ไหมคะหรือว่ามีพิธีการยังไงที่จะเจาะจงที่จะขจัดความอยากนะคะก็ต้องถอนรากของความอยากเนี่ยรากของความอยากก็คือความหลงความหลงที่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้จะให้ความสุขกับเราเราก็ต้องใช้ปัญญาแก้ความหลงเอาความจริงก็ว่าสิ่งที่เราอยากมันไม่ได้ให้ความสุขมันจะให้ความทุกข์กับเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไป เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันจากเราไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็คือให้ความรู้มันเให้ความจริงให้ความจริง ม, มันบ่อยๆมันก็จะความอยากก็จะลดลงใช่ไหมมันก็จะเลิอกอยากถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราอยากเป็นยาพิษเรายังอยากทามาดื่มไหมสมมุติถ้าเกิดเขาคนความวิจัยว่ากาแฟที่ดื่มนี้เป็นเหตุที่ทําให้เป็นมะเร็งเต้านมนี้ มีรับรองได้เลอกดื่มกาแฟกันเยอะแยะเลยแต่เหมือนบางทีเราอยากจะทำดีอะค่ะหรือว่าอย่างเช่นเราอยากจะนั่งสมาธิให้ดีกว่านี้หรืออะไรเป็นแนวทางอยากแบบนี้ไม่ไม่เป็นความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นความอยากที่ดีเป็นมรรคเนี่ยเป็นธรรมะเป็นฉันทะความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงอันนี้ไม่เป็นไม่ได้เป็นตันหา การอยากบวชการอยากถือศีลการอยากนั่งสมาธิเจริญปัญญาการอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดความอยากเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นทางสู่การดับทุกข์ไม่ใช่เป็นตัญหาทางสู่การการมีความทุกข์แล้ <c oughs> พระเจ้าสา่งแ <c oughs> สดงความอยากเพียงสามชนิดเท่านั้นที่ใ ห, ให้ให้ตัดไปไม่ได้แสดงให้ตัดความอยากทำบุญ ความอยากอนั่งสมาธิไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามคืออย่าไปอยากกินกาแฟอยากอยากไปดื่มสุราอยากอยากไปอยากเที่ยวอยากดูหนังฟังเพลงนี่ยความอยากเหล่านี้ให้เลิกเสียความอยากมีแฟนเยให้เลิกเสียความอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับใจให้เลิกเมีสามอย่างนี้เท่านั้นเอง แต่ความอยากอย่าง อ, อื่นไม่ได้สอนให้ให้เลิกให้สอนได้ทําให้มากๆสอนว่า ก, การยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีก็คือความอยากในธรรมนี่แหละความอยากในธรรมชนะความอยากทั้งปวงอาจารย์มีมาอีกไหมมีครับอาจารย์ต่ออ่าไม่มันต้องต่อครับเรื่อยๆคําคถามจาก เก็ uh, okay. ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับกิจประจำสำหรับผู้ปฏิบัติควรมีการสวดมนต์ด้วยไหมเจ้าคะและการสวดมนต์มีความสาคัญอย่างไรก็เป็นแล้วแต่ระดับของผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในระดับไหนถ้ายังไม่สามารถนั่งสมาธิได้ดูลมหายใจหรือทำบริกรรมพุโทโธได้ก็ใช้การสวดมนต์เป็นวิธีฝึกขัดไปก่อน นั่งสวดไปก็ทำให้ใจเรานังงับความคิดตุงแต่งได้ในระดับหนึ่งแล้วพอใจสงบลงพอสมควรเราก็อาจจะมีกำลังนั่งสมาธิต่อไปได้นั่งดูลมหายใจไปได้นั่งบริกรรมพุทโธไปได้ถ้าในเบื้องต้นเรายังไม่สามารถที่จะนั่งดูลมได้หรือบริกรรมพุทโธได้ก็ใช้การนั่งสวดมนต์ไปก่อนไม่ต้องออกเสียงก็ได้นั่งสวดมนต์ไปเหมือนกับ น, นั่งบริกรรมพุทโธไป คำถามจากคุณสิริวันนะครับหนูสวดมนต์ทุกเย็นค่ะแต่เวลานั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งเลยพุโทโธตลอดแต่ก็ยังไม่สงบเพราะว่าเวลาสวดนี้ใจมันยังปล่อยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่งั้นเวลาสวดนี้ต้องให้อยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ให้เราฝึกสติก่อนที่เราจะมาสวดก่อนที่เราจะมานั่งให้มันฝึกตลอดวัน ให้เราหมั่นพุทโธพุทโธไปเพื่อควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดคิดเท่าที่จําเป็นคิดกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเราไม่ต้องคิดเราก็อย่าไปคิดอย่าไปคิดเพ้อเจ้ออย่าไปคิดเพ้อฝันอย่าไปคิดตําหนิตีเตียนคนนั้นอย่าไปคิดดิ้อฉาเอ็ดฉาหรืษยาคนนั้นคนนี้ อย่าไปคิดถึงเรื่องการเมืองการบ้านเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายความคิดเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำใจให้สงบนี่จะทำนี่จะจะเป็นอุปสรรคในการภาวนาเพราะเวลานั่งแล้วใจก็จะหยุดคิดไม่ได้ฉะั้นพยายามหยุดคิดก่อนที่เรามานั่งคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆและเวลามาสวดมนต์เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ คำถามจะาคุณนางฟ้านะครับเวลาบริกรรมพุทโธชอบลืมคำบริกรรมในบางครั้งและจิตชอบหนีไปคิดเรื่องที่ตัวเองเคยทำบาปพอคิดก็จะทุกข์ใจพยายามภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ให้จิตมันไหลไปคิดเรื่องที่ทุกข์กลัวตายกลัวเจ็บอยากทราบว่าทำอย่างไรให้พิจารณากายแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาได้ครับก็ยังถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้จะไปพิจารณามันก็ลาบาก ต้องหยุดความคิดก่อนต้องมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธก่อนเพราะถ้าเราหยุดความคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ได้เราจะดึงมันมาคิดในทางที่ดีได้อย่างไรเรนเราต้องหยุดมันก่อนถ้าหยุดมันได้เราก็จะดึงมันมาคิดในทางที่ดีได้เหมือนเวลาเราขับรถไปเราอยากจะยูยเทิร์นเราก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดรถแลด้วถึงเราจะเลี้ยวกลับได้คาถามจะคุณกหนกกร พี่ฝากกราบเรียนถามวิธีเจเริญมรานุสติทำอย่างไรเจ้าคะก็ให้เล็กถึงความตายอยู่เรื่อยเช่นนึกว่าวันนี้เราต้องตายแล้วเพราะเราไม่รู้แน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้คิดเพื่อที่เราจะได้ยอมรับความตายแล้วจะทำให้เราไม่โลภไม่อยากได้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้ว เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ทุกข์เพราะเราลืมตายกันเพราะเราคิดว่าเราจะอยู่กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเราก็เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราลืมไปว่าเราเดี๋ยวเราก็ตายพอเราตายแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วจากปู่เพื่ประสองออกนามนะครับคนที่เห็นเราทาบุญ เขาจะด่าว่าพระหยาบคายมากๆคนแบบนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรคะเขาก็จะไม่ได้รับประโยชนจากการทำบุญนั่นเองเพราะเขาต่อต้านเหมือนกับคนที่ไม่กินยาเขาก็จะไม่ได้รับประโยชนจากการกินยาถ้าก็เป็นโรคภายใข้เจ็บเขาก็จะเป็นโรคภายไข้เจ็บต่อไปคนที่ไม่ทำบุญเขาก็จะเป็นคนยากจนต่อไปเกิดมากี่พบกี่ชาติก็จะยากจน น้ำมัสการค่ะหลวงพ่อเม่กี้นี้หนูฟังคําถามเรื่องการสวดมนต์นะเจ้าค่ะคือหนูสวดมนต์ทุกวันแต่มีเสียงเพราะหนูมีเหตุอยากให้ลูกฟังด้วยนะเจ้าค่ะหนูผิดไหมคะเพจความอยากให้เขาทํำนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราอยากให้เขาทําก็บอกให้เขาทาไม่หนูอยากให้เขาได้ฟังเสียงสวดหนูอะค่ะอ๋อถ้าก็ถามว่าว่าเขาอยากจะฟังหรืไม่แต่เขาไม่อยากฟังก็ฟังแล้วเขาอาจจะนําขานก็ได้ ผิดใช่ไหมครับก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนชาวบ้านคิดถึงเขาโออกเราบางคนจะนอนแล้วก็มาได้ยินเสียงเราสวนี้ก็นอนไม่หลับนำคาหูงี้คำถามจากคุณเฟิร์นนะครับเวลาภาวนาพุทโธแล้วไม่สามารถจดจ่อกับพุทโธได้คือใจจะไปรู้กายเคลื่อนไหวด้วยขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ ถ้าอยู่กับกายแล้วอยู่กับพุโทโธก็ยังใช้ได้อยู่ถ้ายังไม่ไปคิดเรื่องอื่นคำถามจาคุณจงศนีนะครับเรื่องไร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเกิดจากกรรมที่เราทำมาใช่ไหมคะเพราะบางทีมันก็หนักอยู่เหมือนกันบางอย่างก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมบางอย่างก็เป็นเรื่องของสุดวิสัยเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของโลกนี้ ฉันโลกนี้ก็มีฝนฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องวิบากเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นส่วนเรื่องที่เป็นวิบากก็อาจจะเกิดจากคนนั้นคนนี้ที่เราไม่รู้อิหนยเนยีเขาก็มาทำร้ายเรามาโกรธมาเกลียดเราอันนี้จะคิดว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมมากกว่าจากคุณลิตตแคนดี้นะครับ เราทำบุญสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ได้เฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเราอยากจะทำบุญให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องทำวิธีไหนบ้างคะเอาเงินไปให้เขาสิก็ทำบุญกับเขาเลยเ จากคุณอนนนุตนะครับงูเข้าบ้านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเอางูออกจากบ้านแต่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีฆ่าให้ตายแบบนี้เราบาปหมาเจ้าคะแต่เราไม่ได้มีเจตนาให้เขาฆ่าต้องการให้เขาเอาไปปล่อยที่อื่นถ้าเราพูดกับเขาล่วงหน้ากันว่าอย่าฆ่านะช่วยจับไปปล่อยที่อื่นเราก็จะไม่บาปแต่ถ้าเราสั่งเขาโดยที่เราไม่ได้บอกเขาอาจจะคิดว่าเขาเราสั่งให้เขาเาไปฆ่าก็ได้ เราต้องชัดเจนในเรื่องคำสั่งของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่มีผลไม่มีส่วนร่วมกับการฆ่าของเขาคำถามจากคุณจุ่มนะครับพุทโธ ท, ทั้งวันแล้วไม่สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิผิดไหมคะไม่ผิดหรอกถ้านั่งได้ก็นั่งไปเลย คำถามจะคุณโทมี่นะครับนั่งสมาธิมีความสงบทุกครั้งมาต่อเนื่องมีครั้งหนึ่งพบว่าเกิดสภาพว่างๆหยุดคิดโดยไม่สามารถออกไปคิดได้คอยอยู่ดูคอยอยู่รู้อยู่พักใหญ่ๆจากนั้นก็ถอนออกมาจนสามารถคิดได้ปกติสภาวะนี้เกิดขึ้นเรียกว่าอย่างไรคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อ ก็เวลาจิตสงบก็ไม่คิดเนี่ยก็ถูกแล้วเรียกว่าสมาธิเยงแต่ว่ามันสงบลึกมากหรือไม่ลึกมันมีหลายระดับด้วยกันสงบแบบที่ยังรับรู้ร่างกายอยู่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่หรือสงบแบบร่างกายหายไปเลย น, นั่นก็มีหลายระดับถ้ายังไม่หายก็ลองพยายาม จเจริญสติให้มากขึ้นให้มันรวมให้มากไปกว่านี้เพราะยิ่งรวมได้มากเท่าไหร่จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้มากขึ้นถ้าเรารวมได้เต็มร้อยเนี่ยเราจะมีกําลังมากและเวลาเราออกมาต่อสู้กับตัณหากิเลสต่างๆเราก็จะชนะมันได้คําถามจากนายนักกร น, นะครับหลงตัวเองต้องผิดหรือเปล่าครับ หลงตัวเองก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่มันเสียหายไม่ได้ทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงเช่นเราอาจจะไปทำร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะปกป้องรักษาตัวเราคำถามจากคุณแบงค์นะครับถ้าขณะถือสีนแปดมีอารมณ์โกรธขึ้นแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับ ถ้ายังอยู่ในใจยังไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจายังไม่บาปยังไม่ผิดศีลคำถามหมดครับพระอาจารย์มีใครอยากจะถามยังไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ